อาจารย์พรการปฏิบัติธรรมเรา ปฏิบัติกันมายะนั่งสมาธิมามาก ที่เราปล่อยวางไม่ได้เราปล่อยวางไม่ได้เพราะสิ่งที่ และไม่มีใครเลยที่จะปล่อยวางได้วางมันไม่ได้ไม่ ใจนี่แหละมันชอบไปแแบ่งใจนี่ เรายึดและไม่มีใครที่จะปล่อยวางได้ตลอดยึดไม่ได้ไม่มีใคร เรเราก็ปฏิบัติแบบเดิมๆซ้ําๆไม่ได้ก้าวหน้า เพราะฉะติเราก็ไม่รู้จักสติเจริญวิปัสสนาเราก็ไม่รู้จักวิปัสสนาความรู้นี่แหละคือสิ่งสําคัญที่ ความรู้ที่แท้จริงคืออะไรความรู้ที่ รู้ขณะที่มันปล่อยวางรู้ขณะที่มันยึดนี่ กาละที่เรารู้จริงน่ะเป็นความรู้สดๆเป็นสิ่ง เพื่อให้พระภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นถูกเห็น มันก็จะเป็นมันก็เป็นอย่างที่มันเห็นนั่น พอเราไม่ยอมรับความจริงขณะที่ไปรับรู้สิ่งที่ตามมาคือตัณหาอยาก พอเรามัวจะไปทําลายมัวจะไปสร้างแต่ มันตั้งอยู่ได้โดยตัวมันเองแล้วได้โดยตัวซึ่งเราไม่ต้องไปมันดับเองได้ไม่ต้องทําลายมันหายเองได้ฉะนั้นที่เราจะอยู่กับเราจะอยู่ยังไงเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นให้ยอมรับ และนิ่งรู้อย่าสงบเบาๆอยู่กับความจริงนั้นความจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นน่ะสุดท้าย ทุกมากกันไหนก็ตามไม่ต้องมาทําลายนิ่งและรู้หย่าสงบจากความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์นั้นเบาๆก้อน มีสมาธิเราก็ไปยึดในสมาธิเพราะไม่รู้จักสมาธิมีสติเราก็ ก่อนอะไรก็ตามที่สร้างขึ้นมาเมื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาอะไรก็ตามที่สร้างขึ้น ปัญญารู้เห็นไม่ว่าจะรู้เห็น ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ทุกข์มันมีกําลังมากสิ่งที่ทุกข์มันจะ สิ่งที่รู้น่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่มันอยู่ ฉะนั้นเราไม่และรู้จะเข้มแข็งอย่างไรล่ะมาทําอะไรก็สร้างตัวเราเองให้ ยิ่งคิดมากยิ่งจํามากที่อ่อนแอรู้ที่มีกําลังคือรู้ที่ รู้มันจะมีกำลังขึ้นมันจะมีกําลังขึ้นเราต้องฝึกเขาให้มีกําลัง โอกาสที่จะไปอดีตโอกาสที่จะไปอนาคตมันไม่มีเลยเพราะมีกําลังของปัจจุบันมากกว่าแต่เนี่ยกําลังของปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าปัจจุบันน่ะต้องเป็นปัจจุบันแบบธรรมชาติเราฝึกสมาธิกัน สุดท้ายเราจะได้กําลังของสติได้กําลังของสมาธิ นี่ก็ความรู้เบาๆของปัจจุบันขณะดูอานาปานสติเราจะดูยังไงโยมฝึกอานาปานสติอ่ะเราก็ไปทําลมหาย รู้ที่สลากคือรู้ที่ไม่มีภาระเป็นธรรมชาติ ฤาเดินจงกรมก็ดีหรือทํางานอยู่ก็ดีแค่ใช้รู้ รู้ไม่คิดรู้ไม่จํามันจึงเป็นรู้ที่ว่างแต่ถ้า รู้ของเด็กน้อยเนี่ยเป็นรู้ที่ๆเป็นรู้ที่บริสุทธิ์เราก็สามารถเอารู้ของเราน่ะมาฝึกให้เป็นรู้ของเด็กน้อยได้เช่น เมื่อเห็นอะไรก็สัตตะว่าเห็นอย่าให้ความหมายกับสิ่งที่มองเห็นคือไม่ต้องไปคิดไม่ต้องปรุงแต่งขณะที่มองเห็นวางรู้ชื่อๆขณะที่ได้ยิน ฝึกรู้อย่างเดียวจริงๆหนทางของการตัดสรุ รู้นี่แหละคือตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดความๆรู้ว่างๆๆอยู่ ที่มันมีมาตั้งแต่เกิดพ่อเรามีเพียงแค่รู้เดียวที่มีมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ ได้แล้วก็กลับไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิมอาศัยสิ่งที่มีนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็กลับไป ไปสําคัญผิดต่อสิ่งที่ถูกรู้ว่าสิ่งที่ พอกายที่เราอาศัยทุกวันนี้ที่เราเกิดมามาตั้งแต่ เดิมเราก็ไม่มีกายแต่กายนี้ได้เกิด 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน ตอนนั้นน่ะเป็นแค่กายเป่าๆกายได้เพราะอาศัยท่อดำเลี้ยงคือสายสารีของแม่แม่ทานอะไรแม่หายใจก็ผ่านสายสารีแม่กับสายก็ 3 5 เดือนตอนนั้นนั่น จิตของเราเนี่ยได้ลงมาปฏิสนธิครอบครองกายของทารกนั้นหลังจากที่จิตลงมา ไม่มีอาการแต่ตัวพลังงานน่ะเป็นตัวสร้างอาการเหมือนพลังงานของกระแสไฟฟ้าเราไม่เคย แต่เกิดขึ้นเพราะพลังงานเกิดขึ้นเพราะพลังงานหลอดไฟคือส่วนหนึ่ง ขึ้นมาในกายจึงได้สร้างบทกลางจะขึ้น ขณะจิตนี้น่ะคือสิ่งที่จิตมาใส่คือร่างกายของ หรือลมอาการจิตหรือว่าพฤติของจิตที่ลมพุดุลพูดพฤติของจิตก็คือ อุสานแสดงความกิจินนั่นจึงกลายเป็น ผู้รู้ผู้รู้ก็ควรอาญกันผู้รู้คือใจดวงแรกคือใจดวงรู้เรียก แต่สําคัญผิดไปเห็นผิดว่าเป็นเรารู้ แรมกายัตจากความจําได้ไหมรู้มโนอุปทานเพราะความจําได้แล้วมันก็ลืมสังขารความคิด แต่เพราะเราไม่รู้ท่อทันต่อฉะนั้นความหมายนี่แหละคือเป็นความหมายที่ทําให้ผิดพลาดแต่รู้แรกเกิดน่ะฉะนั้น ผู้พ่อรู้ที่มันรู้ความหมายทีนี้เราจะทํายังไงที่ให้ทุกข์ให้ มันว่างขนาดนั้นมันว่างโดยไม่มีความคิดมันว่างโดยไม่ ก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่ไม่มีใครประจองเพราะสระแวนก็ต้องดับไปเหตุที่ต้องดับไปเพราะ เมื่อกายดับสัญญาดับสังขารความคิดก็มันกันที่มาตั้งอยู่ได้เพราะ ฉะนั้นมโนมันอยู่ท่ามกลางระหว่างกายกับจิตจิตมาสายกายจึงได้เกิดระหว่างกลางจิตก็คือมโนฉะนั้นมโนเนี่ยมันต้องดับมันต้องเสื่อม กลับไม่รู้น่ะปรัมัยไม่ได้แตกต่างกันรู้น่ะก็คือเป็นรู้เปล่า ฉะนั้นเมื่อนิ่งและรู้อย่างสงบกับสิ่งที่ถูกรู้ ของรู้เป็นรู้ว่างๆเป็นรู้ว่างๆเรียกว่ารู้แบบจิตว่างรู้แบบจิตว่าเนี่ยเมื่อปลดจนถึงได้ที่แล้วน่ะรู้นี้ก็จะว่างเหมือนกับจิตของพระอรหันต์พระ เห็นความจําเป็นภาระเห็นความคิดเป็นภาระเห็นความรู้สึกเป็นภาระท่านจึงเลือกท่านอยู่ <cko ur> <choreography> การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องปล่อยวางฉะนั้นการปล่อยวางเราต้องปล่อย ปล่อยรู้ให้เป็นธรรมชาติคือปล่อยขันธ์ให้เป็นธรรมชาติปล่อยรูปให้ทํางานเองปล่อยสัญญาให้ทํางานเองปล่อย เป็นความจริงทั้งหมดที่เค้าแสดงได้ด้วยตัวของความจริงเองเป็นสัจธรรม นิ่งรู้อย่าสงบบอบๆอยู่ และปล่อยสิ่งที่รู้เองให้มันเป็นธรรมชาติ เพราะเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ปล่อยการปล่อยคือยอมรับมีๆใช้ๆเหตุการณ์ต่างๆว่าสิ่ง มันลงห่อนกําลังลงแลเสื่อมสลายหายไปได้ดับได้ด้วยตัวกรรมเองสุดท้าย มันเป็นบทเรียนของความจริงยอมยอมรับและนิ่งรู้อย่าสงบเรานี่แหละคือจุดเริ่มต้นของ ใจมันยอมแพ้มันจึงปล่อยวางฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจตรงรู้เนี่ยให้เป็นรู้ที่ เด็ดตัวของลมหายใจเองเช่นเวลาเรานอนหลับทําไมมันหายใจเองได้ล่ะเวลาทํางานเผลอ ลมหายใจมันสามารถทําหน้าที่ด้วยตัวของรู้ปล่อยให้ลม เข้ายาวเราก็รู้ว่าเข้ายาวแล้วออกยาวเราก็รู้ออกยาวแล้วเข้าสั้นเราการดูอานาปานสติ เมื่อกายหายเราก็รู้ว่ากาย เพาะเข้าไปกำหนดยิ่งเพ่งยิ่งกำหนดยิ่งรู้มากยิ่งตึงมากยิ่งเครียดมากเพราะลักษณะ พอมันจะเริ่มหลับประคองรู้ขึ้นมานิดนึงที่กําลังเคิบ เค름 แล้วก็สังเกตเบาๆขณะที่ครบๆสังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกนิ่ง ลมหายใจมันก็ว่างอยู่แล้วรู้เดี๋ยวก็ว่างกายว่างรู้ว่างลมว่างเมื่อ 3 ว่างความว่างจะเกิดขึ้นกับเรามีความวุ่นเข้ามามันจะรู้ทันทีว่ามัน เมื่อมันกําลังจะพุ่งแต่งมันก็รู้ทันทีว่าเริ่มดําเนินต้องคิดมันอยู่ทันทีแม้มัน สังเกตปลอมว่างเป็นอารมณ์เมื่อมีวุ่นมาเราก็เห็นว่าวุ่นเกิดขึ้นแล้วว่างเกิดขึ้นขณะที่รู้ว่างเนี่ยมันเป็นรู้โดยธรรมชาติเป็นรู้ที่ไร้เรียนสาขณะที่รู้แล้วรู้ความหมายปั๊บเนี่ย ทุกวันเนี่ยเรารู้ความหมายทุกอย่างขณะที่เรามองเห็นเรารู้ความหมายทุก มันรู้ว่างๆเห็นมั้ยรู้แต่ไม่รู้ความหมายเป็นรู้จริงรู้เพราะขณะที่รู้ไม่ได้คิดไม่ได้ๆเห็นจริงๆนั่นเป็นรู้ปกติว่างเป็นรู้โดยวิมุตติรู้เหมือนกันการรู้ตัวมันรู้อยู่จะมารู้ทุกอย่างรู้ความหมายทุกอย่างเนี่ย ระหว่างรู้ หากเราอยู่ไม่มีสัญญาเราอยู่ไม่ได้เพราะเรา เมื่อรูปหมายปั๊บละเกิดความรัก คือความหมายตัณหาเกิดขึ้นเพราะความหมายเราต้องตัดเส้นทางของตัณหาตัดเส้นทางของอุปทานคือตัวเดียวคือรู้ความหมายฉะนั้นเราต้องเห็นโทษของการรู้ความหมายขณะที่รู้ไม่รู้ความหมายมันไม่ได้ประง ถึงจะๆเช่นรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออก เมื่อเราจิตจิตที่มาซ่อนตัวอยู่มันจะไปจิตที่ปกติขึ้นผู้ที่ พอพระญาติเจ้าตรงไหนที่ท่านตรัสท่านที่อยู่อย่างปกติอย่างนี้มีอะไรถ้าเข้าใจปกติเพราะท่านฝึก จึงคิดโดยตนอมัสจึงจําโดยตนอมัสจึงยึดโดยตนอมัสและก็ทุกข์โดยตนวิชาวิชาก็คือความจริงของสิ่งที่ เราอยู่กับปัจจุบันสดๆตอกย้ําความจริงตอกย้ําความจริงเห็นโดยที่ ไอ้เรียนเอาโคดมันมาจากความเป็นรู้ที่เป็นในความจริงเป็นรู้ของสมาธิมัน ที่มันไม่มีตัณหามีโทษเพราะเรารู้โดยไม่รู้ความหมายฉะนั้นอุปทานไม่ต้องไปดับตัณหา เพียงแค่เรารู้แล้วนะสามาฝึกใช้ว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแล้วพอได้ฝึกรู้จนเป็นรู้ มนุษย์เราเคยฝึกคิดอัตโนมัติจำอัตโนมัติมั้ยเพราะเราคิด สอนให้ก็เห็นผิดมาตั้งแต่เกินก็สอนให้จำสอนจำและสินิท่องจำจำแต่เรื่องนอกกายทั้งหมดแต่สิ่งที่ ในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมรู้ มันอย่าคอนคิดเดาว่ามันสวยงามไปมองจริงๆใต้ผิว มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอหันต์เก่าอหันต์ใหม่นั่น แลรู้เดียวเนี่ยมันรู้อยู่กับฟานจริงรู้กายในกายนี่คือการเข้าไป นี่คือพระสอดาบันเห็นอย่างนี้ที่เห็นกายเป็นอันดับแรกรู้กายและรู้เรื่องในกายอย่างแจ่มแจ้งที่เป็นความจริงรู้ที่มาของกายรู้ที่มาที่ตั้งของกายและรู้ที่ดับไป 7 ชาติระหว่างสวรรค์กับมนุษย์เท่านั้นไม่เกิน 7 ชาติก็จะได้ตัดสรุปเป็นผลันอย่างแน่นอน นั่นคือผู้ที่รู้จักกายในกายส่วนภาสเกทาคาก็คือรู้จักใน เพราะเวทนานั่นน่ะหูจมูกลิ้นกายใจท่านรู้เท่าทันต่อผัสสะแลไม่หลงต่อผัสสะนั้น รูปรบกวนเสียงทําให้เกิดเวทนาท่านจะรู้จักเวทนาและในเวทนาผู้ธีระเวทนาและในเวทนาได้บุคคลนั้นก็คือพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วเนี่ยท่านจะไปเกิดบนพรหมโลกและจะไป รู้จิตในจิตจิตในจิตเป็นคุณธรรมของพระอรหันตมะ มาเป็นเพียงแค่ปรกติฌานธรรมชาติของขันธ์ท่านจึง รู้ธรรมทํา common ทั้งนั้นเข้าไปละธรรมและในธรรมก็คือธรรมที่เป็นอัพยากตาธรรมธรรมที่ไม่มีกุศลอกุศลนี้เป็นธรรมอันละเอียดท่านกะละนี้ด้วยนั่นคือพระอนันตพลท่านล้วนทั้งหมดมาจากรู้ตัวเดียวโสดาก็มาจากรู้สกิทาคาก็มาจากรู้อนาคามก็มาจากรู้อรหันตมะก็ รู้เนี่ยน่ะคือตัวต้นเหตุคือรู้จริงซึ่งไปจะจําหรือรู้จําที่เป็นตาง เอารู้ที่รู้เนี่ยมันเป็นรู้จริงรู้จริงๆรู้ปัจจุบันคือเป็นสิ่งที่ปรากฏๆมองอะไรก็สดๆสดๆกิน เมื่อเราต่อขึ้นขึ้นๆความจําความคิดในอดีตอนาคตในสิ้นสุดในชีวิตได้มั้ย ไม่ใช่ยอมแต่ขณะที่เราอยู่ปัจจุบันเราก็ได้เห็นมุมมองของสิ่งที่มันเป็น หมดคิดคิดคิดเสร็จจําก็จําจําเสร็จก็วางหมดรู้แต่ใช้เสร็จแล้ววางนั่นคืออยู่อย่างชอบการชอบ ก่อนที่จะเหลือศาสตร์แต่ว่ามันต้องวางก่อนถึงซะใช้ก็จะ ที่ลบดลบอกว่าเมื่อพอรู้ให้ทําลายผู้รู้ผู้รู้ก็คือขณะที่รับรู้นั่นเองก็เห็นชัดแท้แล้วว่า รูปปรดเกินเสียงปฏภาธรรมารมณ์มันก็คือสมมุติฉะนั้นสมมุติกับสมมุติมันรู้กันเองแต่วิมุตติกับวิมุตติน่ะมันรู้กันไม่ได้ชาติสุดท้าย มันฝึกง่ายๆแค่ฝึกรู้ให้อยู่กับความจริงอยู่กับปัจจุบันปฏิบัติการสมัยโยมอย่ามัวแต่นั่งหลับตาอย่ามัวแต่นั่ง เพราะสติมันก็ไม่เที่ยงแต่เราใช้สติ มดี้สติเป็นตัวตนมดี้สมาธิเป็นตัวตนและมดี้สัญญาเป็นตัวตนเป็นอย่างไรเลยนั้นเราต้องฝึก มันจะปล่อยวางเองมันจะไม่เอาเองปล่อยวางเองมันจะไม่เอาเองมันจะจัดเองมันจะส่งคืนเองโดย รู้คือเรือรู้สัจธรรมรู้ไปเลยไม่ต้องรู้ไปเลยไม่ต้องจํามันไว้สัจจะว่ารู้จํายังไงจําไม่ต้องเป็นภาระก็สัจจะว่าจําไปมันจะลืมก็ช่าง มันจําไม่เข้าไปแชกแซงฉะนั้นฝึกกันใหม่นะโยมเดี๋ยวมัวแต่ ของสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อเรามีสุขเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ตรงกันข้าม ตาก็มีคู่คู่กับรูมหูก็มีคู่คู่กับเสียงจมูกก็มีคู่คู่กับกลิ่นลิ้นก็คู่กับรสกายก็คู่กับภาษาแต่รู้ ธรรมชาติของกายน่ะกายมันฝึกเองได้มันเคลียวเองได้มันคืนเองได้มันกลับถ่ายเองได้นะเข้าใจ ก็วางอย่างยิ่งว่าธรรมะนี้จะเป็นประโยชน์กับโยมเพราะอาตมามีเจตนา ฝึกที่บ้านก็ได้คร 2 ครั้งรวมจะรู้ว่ามันเปลี่ยนเหมือนหลายคนที่ไปเข้าคอร์สเนี่ย สามารถเข้าถึงได้จริงพ่ออาตมาเอาประสบการณ์ของตัวมาเองมาสอนเพราะก่อนที่อาตมา พอจะแกะพอจะแกะธีระเปาะธีรพมน่ะใช้เวลานานแค่นี้เองทําไมเราไม่เห็นเหมือนเส้นผมบําหมู่เขาพอรู้แล้วอาตมาดีกว่ามันมีหนทางที่สามารถเรียนรัดสั้นตรงสามารถตัดสรุปได้ด้วยการศึกษารู้ที่บอกว่ารู้นี่คืออินเทอร์เน็ต เรามาฝึกจําเป็นรู้วิชาและรู้จะถอดถอนได้นะฮะเจริญพรมีท่านใดจะสนทนาหรือสอบถามไหมครับถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการจะสอบถามหรือสนทนาก็สามารถยกมือได้นะครับได้อาจจะ<คร> จะได้ตอบให้ว่าทําไมปฏิบัติ สติเนี่ยน่ะสําคัญถ้าสติ มาเฉมาปฏิปทาถ้าจับหลักกลางได้เนี่ยรู้นั่นน่ะจะเป็นรู้ที่ธรรมชาติที่จะไร้อุปทานไร้ตัณหาได้<ร> เราไม่ต้องมาทําลายเนี่ยจะทําให้รู้เกิดเฉยเฉยขึ้นพอรู้ ไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ผู้รู้ก็คืออ๋อเข้าใจคือให้ให้มันเป็นผู้รู้รู้ของรู้อย่างไร แต่รู้มันกลับเป็นสระขณะที่รู้โง่ๆรู้สระขณะนั้นมันจึงมีอุปทานไม่มีตัณหาขณะนั้น เป็นความรู้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คะอยากจะถามค่ะพอดีว่าปฏิบัติ แล้วก็ว่าเราอันนี้มีความโกรธความโลภความหลงอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ นิ่งขึ้นอะไรพวกนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าเออไม่ต้องนั่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าน่า ยังช้าไปช้าเหรอที่มันโลบมันโกรธหลงเพราะอะไรรู้มาหน่อยแน่รู้ตัวแน่มัน กับสิ่งที่รู้สุจริตไม่ไปยินดียินร้ายแต่ขณะ รู้ก็เราก็จะปกติขึ้นเพราะ สิ่งปัจจุบันอยู่กับความจริงของปัจจุบันให้มากขึ้นมากขึ้นกําลังแห่งความจํากําลังแห่งความคิดที่ พอมันตรัสรู้ปั๊บมันจะรักษาสักตะว่าจากการที่ตรัสรู้ปัจจุบันจนไม่เข้าไปเล่นอะไรกับ ร่องบ่อน้ําชื่อน้ํามันจะมีจอกแหนติดบางอยู่พอยกขึ้นมาน้ําแตก ไงความเหมือนเดิมแต่ อย่าดื้อว่ามันอยู่ด้วยกันครับจิตไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่จิตรู้เป็น มันลมเนี่ยเวลาลมพัดโยมมองไม่เห็นลมแต่รู้ว่ามีลมเห็นอะไรเห็นใบไม้ไหวใช่ค่ะอาการที่ไหวน่ะเกิดขึ้นจากลมพัดขันธ์ที่มันหวั่นไหวความ ถ้าฉะนั้นเรารู้ได้ว่าใบไม้หวัยเกิดดับเกิดขึ้นได้เพราะพลังงานของลมลมส่วนหนึ่งใบไม้ส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งขันธ์ส่วนหนึ่งนี่แหละเข้าใจเรียกว่าจิตเห็นจิตเห็น ทางก็ส่วนฉันสึกก็ส่วนจิตรู้ก็ส่วนรู้พลังงานก็ส่วนเราเราดูจิตที่ที่เป็นจิต 1 จิตพุทธะเสร็จนะ จุดท้ายเราอยู่กับผู้รู้แต่กรรมยึดในกับจิตก็ไม่ได้ยึดตามเป็นจิตนะครับพระพุทธโดนบอกมาเพราะผู้รู้ นะค่ะค่ะตอบศพกาญจน์ศพบุญจันทร์ค่ะตอนนมัสการหลวงพ่อนะคะเอ่ออย่างที่อธิบายที่ท่านๆอ่ะค่ะถ้า วางไว้อย่างแต่ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเมื่อเรารู้สึกโกรธรู้สึกน้อย คุณความเป็นของไม่เที่ยงให้ผู้รู้ได้รับรู้อาการตามภาวะจริงแน่รู้น่ะจะได้บทเรียนขณะที่เค้านิ่งรู้อย่าสอบมันจะเป็นบทเรียนที่เราจําไปจนตายเลยนึกเมื่อไหร่มันก็จําได้เมื่อนั้นเพราะว่าว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยมันหาเองได้แล้วมีเหตุการณ์ใหม่มามันก็จะรู้ว่าอัน เพราะไม่คือสภาวะไม่คืออาการความรู้สึก เนืองรู้ญาณสภาวะน่ะที่มันเฉยๆเฉยๆหายไปสุดท้ายเฉยสุขทุกข์เฉยมันนี่ประมาณเราจะอยู่ได้ทั้ง 3 อาการเฉยก็อยู่ได้ทุกข์ bueno ปุญญีอย่างถ้าเราเพิ่งเริ่มเหมือนฝึกอย่างเงี้ยค่ะเอ่อครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาดูเอ่อฝึกดู นั่งนิ่งรู้ๆอยู่กับค่ะเวลารู้ตัวตนพร้อมรู้ตัวตนพร้อมเบาๆนะอย่าหนัก หยุดไปก็ยังพร้อมอยู่ลมหายใจทั้งลมหายใจเข้าเราจะได้กําลังของสมาธิปัจจุบันเพราะเรามัวแต่จับลมหายใจ หายใจออกรู้ตัวต่อพอพร้อมตลอดนะขณะหายใจๆๆเป็นหยุดหัวใจเวลาจะออกก็พร้อมพร้อมตลอดพร้อม หายใจเข้าพร้อมตลอดพร้อมหายใจออกพร้อมตลอดต้องอยู่กับพร้อมกายพร้อมนะรู้ค่ะ ในโอกาสนี้ขออนุญาตท่าน 2 วัดแล้วก็กําลัง อันใดที่จะร่วมบุญกับจะรวบรวมถวายแก่อาจารย์ทั้งที่เข้าบัญชีผ่านบัญชีชุมนุมมาแล้วก็ทํา แล้วก็มาถวายครับก็เลยแบ่งเป็น 3 วัดวัดป่าจะเดินธรรมจะไปวัดสําหรับฝึกๆจะมีจะไม่มีชีอยู่กันวัด 81 ไร่ล้อมกําแพงล้อม แต่ถ้าเกิดแนวคราวต่อมาแล้วก็